พึงพากันตั้งใจสำรวมใจขุนรนให้แน่วแน่ๆๆวันนี้เป็นวันพระแปดคำเดือนสิเวแ็แลมแปดคำเป็นวันรักษาโอรสศสิลในฝนฟังธรรมของอวาสกวาสิกา ซึ่งเคยกระทำกันมาตั้งแต่ครัง้งพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าองค์ใดมาบังเกิดขึ้นในโลกก็ทรงวางข้อวัตริบัติอย่างนี้ไว้ให้อุบาสกุวาธิกาได้ประพฤติตามเพราะว่าอุบาสกุวาธิกา มีกิจธุระเกี่ยวกับการงานการของชีพอยู่มากมายแต่ว่าให้ถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเอาเจ็ดวันต่อครั้งวันธรรมดาก็ทำการทำงานวันแปลกแปดคำสิบห้าคำก็เขาวัดทำความสงบกายวาจาใจสํารวมอินทรีย์ อย่าให้ความยินดียินร้ายขอบงามจิตได้อันนี้เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นควรพากันรู้จักการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนานี่มันมีหลายขั้นตอนออผู้เป็นทา ย, ยกทา ย, ยิกาก็ไม่ควรที่จะ ก็พึดทำอยู่เพียงแค่ขั้นเดียวเมื่อตอนเคยทำอยู่อย่างไรก็ทำอยู่แต่แค่นั้นอย่างเช่นเคยให้ทานก็ให้แต่ให้ทานอย่างเดียวไม่คิดที่จะรักษาสินเลยก็มีบางคนเนื้อบางคนมีให้ทานมีศินห้าแล้วอย่างนี้เ็าไม่คิดที่จะรักษาสินอุโบสถเลย อย่างนี้เนี่ยว่ามันไม่ก้าวหน้าการบาเพ็ญบุญกุศลเนะ่มันไม่เป็นไปเพื่อมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในบุญในกุศล เ, เมื่อผู้มาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันเป็นขั้นตอนอย่างว่านี่นะให้ถึงพร้อม อย่างนี้แนละ้วก็ทําให้บุญกุศลมันเจริญขึ้นได้นอกจากการรักษาโวสตรินแล้วก็ยังได้ฟังธรรมอีกนอกจากฟังธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิภาวนามีโอกาสได้ทําความเพียรทางจิตใจเพ็มที่การรักษาโวสต์ก็ต้องสํารวมตนฮะด้วยดี สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาถูกต้องเข้าก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายอันนี้เรเรียกว่ารักษาอุโบสถนะให้พากันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ระมัดระวังเรื่องการพูดการจา ถ้าจะมีการพูดกันก็ต้องปาราบถึงศีลถึงธรรมถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือปาราถึงชีวิตอันนี้แหละชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นี่การพูดกันสนทนากันก็ต้องหยิบยกเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเนี่ยมาพูดกัน แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะจำศีลดุโบสถอันนี้ก็ไม่ใครส่สำรวมเอาแต่เรื่องภายนอกนั่นมาพูดกันคุยกันเอาแต่เรื่องสะเพเหระไม่ค่อยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดอันนี้ถ้าว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าหาว่าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างว่านี้นะ ไม่สำรวมตนด้วยดีแล้วไม่ได้บุญเต็มที่การที่มันจะได้บุญอันเกิดจากการรักษาอบูสดนี่มันก็ต้องเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในความส ง, งบไม่ให้ใจมันเพลินเมื่อใจเพลินแล้วอาการกายวาจามก็เพลินไปตามกันพูดอะไรต่ออะไร ไม่มีจุดหมายปลายทางคิดได้อะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจสงบไม่ได้ใจย่อมเลื่อนลอยออกไปแต่ข้างนอกเพ่งไปแต่เรื่องภายนอกไม่ได้สงบอยู่ภายในคำว่าอุโบสถนั้นแปลว่าเข้าไปรักษาหรือว่าเข้าไป อ, อ, อยู่ภายใน ก็ห <c oughs> มายความว่าเรามารักษาศีลบริสุท์ก็อยู่ภายในขอบเขตของวัดวันนี้บางคนมันก็อยู่ตั้งแต่กายเฉยๆอยู่ในวัดแต่ใจมันพุ่งออกไปนอกวัดนูนมันคิดอะไรต่ออะไรในอารมณ์ที่ค้างๆอยู่ไม่ละไม่ถอนมันแต่อดีตล่วงมาแล้วทางวาจาก็ดีเมื่อใจมัน พุ่งไปภายนอกการพูดการจามมันก็พุ่งไปหาตั้งแต่เรื่องภายนอกจะหาแต่เรื่องธรรมมาค้าขายทำไร่ทำนาการได้การเสียคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอาเรื่องพวกอื่นมาวิจารณกันไอ้ไอ้หมู่นี้มันได้ชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง อาการกายวาจาใจของตนให้ดีมันถึงจะได้บุญได้กุศลมากแม้ผู้เป็นนักบวชก่อเหมือนกันเนี่ยผู้เป็นนักบวชเนี่ยก็ยิ่งประพฤติคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับทีเรียวเพราะว่าไม่ได้ก่อเกี่ยวได้การงานภายนอกเลยการทำนาทำสวนการค้าการขายเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีในนักบวช เพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีโอกาสสารวมอินทรีย์ได้เต็มที่แต่ว่ามันสํารวมได้แต่ตาหูจมูกเล่นกายแต่สํารวมใจไม่ได้เนี่ยใจนี่มันชอบออกนอกวัดอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ก็าเรีกเป็นจุดอันตรายแก่ผู้เป็นนักบวชมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคําว่าสํารวมอินทรีย์มันอินทรีย์ละสําคัญกว่าเพื่อนทั้งหมด เมื่อการสัมรวมอินทรีย์คือใจได้แล้วมันก็ได้หมดนั่นแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นผู้บงการนะใจเป็นใหญ่อืมลองคิดดูให้มันดีคิดให้มันเห็นคิดให้มันเห็นด้วยตนเองจริงๆถ้าใครไม่คิดให้มันเห็นด้วย ต, น เ, ย น, เ น, วยตนเองแล้วปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร ทังที่เพื่อนแสดงให้ฟังบ่อยอ ย, อยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มีอย่างนี้แหละมันหนาแน่นด้วยอวิชชาตันหามากคนเราอ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้เพราะว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบัติต่างๆนะแต่ว่าส่วนปีกย่อยทั้งหมขยายออกไปแต่เมื่อพูดถึงหลักจริงๆแล้ว ก็อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยอันรู้ว่าสำรวมอินทรีย์หกอย่างเนี้ถ้าสำรวมมันอินทรีย์คือสำรวมใจนี้ได้แล้วใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นดังว่านี้นะมันก็เท่ากับว่าได้สำรวมอินทรีย์ทั้งหมดนั่นเองนะการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ใจมันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่พัดผ่านมาทางตาเป็นต้น ดังกล่ามานั้นเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่รับรู้อะไรหรอกกับดวงขีดนะ่ะมันมีหน้าที่ตาก็มีหน้าที่เพียงแค่เห็นรูปต่างๆหูก็มีเพียงเป็นหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกก็มีหน้าที่ได้สุดกลิน่นลิ้นก็มีหน้าที่ได้รับรสอาหาร กายก็มีหน้าที่ได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ผู้รับรู้กับความสัมผัสถูกต้องเหล่านี้เนปะมนใจดวงเดียวเท่านั้นเองตาเป็นต้นไม่ว่าอะไรเลยมันก็สักว่าแต่เห็นเท่านั้นเนี่ยแต่เหตุที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านี่มันเกิดขึ้นจากดวงกิดนิทะหาก เมื่อตาไปเห็นรูปเข้าดวงจิตไม่รู้เท่ารูปนะั้นก็ไปหลงยินดีหลงยินร้ายในรูปอันนั้นอย่างนี้นะเลี่มันจะได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นใหญ่โตถ้าไปยินดีในรูปนั้นอ้าวมันก็สแสวงหารูปนั้นอีกแล้วเป็นอย่งนั้นถ้ามันยินดีในเสียงมันก็สแสวงหาเสียงยินดีในกลิน่นมันก็สแสวงหากลิน่น เมื่อมันยินดีในรถมันก็แสวงหารถเมื่อมันยินดีในสัมผัสมันก็แสวงหาสัมผัสอันที่ต้องการเหตุนั้นท่านยึงกล่าวว่าตัณหานะคือความทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นแล้วเนี่ยเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็อยากไปไม่มีสิ้นสุดเลยเหตุนั้นคนเราถึงได้ทำบาปนั่นแหละ เพราะมันอยากมากเกินขอบเขตเรื่องมันนะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมันเลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมออกไปนั่นแหละสาเหตุที่คนเราได้ทำบาปอย่าไปเข้าใจว่าการละตันหาโเนี่เป็นหน้าที่แต่ของพระของเนนเท่านั้นคาสวะไม่เกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นนี่ คารวะก็ตามนักบวชก็ตามเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัณหาน่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครสะสมตัณหาไว้มากเท่าไรทุกข์ก็มากเท่านั้นจะเป็นเพศใดก็ตามไว้ใดก็ช่างเหมือนกันหมดเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว ให้พุทธบริษัทจึดถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติคือว่าถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเราบังคับกายวาายจใจนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้านี่ให้ได้นั่ น, นแหละแต่ถ้าตนเองไม่บังคับตนแล้วมันยากอยู่นะมันจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วนนะเช่นอย่างเรื่องภาวนาอย่างนี้ แม้จะเป็นนักบวชเองก็ขี้ข้านภาวนาอย่าว่าจะเป็นครือข่าเลยจ้ำจี้จ้ำไซกันอยู่เท่าไรมันก็ไม่ไปไหนเลยเพราะคนขี้เกียจภาวนานัเนี่ยบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงําเอาสู้อํานาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องซึกขาลาเพศออกไปไอ้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้ข้านภาวนา ฝึกจิตใจของตในให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลมีความเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอโดยเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัตินาน า, นาประการมีบริษัทบริวารหอมร่อมอยู่ตลอดเวลา ถึงกระนั้นพระ อ, องค์ก็มายินดีในการที่จะครองราชสมบัติอันนั้นต่อไปก็ยังยอมสละทิ้งออกไปบวชทำตนให้เป็นคนผู้เดียวโดยที่พระ อ, องค์พิจารณาเห็นว่าการปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้มันเป็นทุกข์มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามใจหวัง แม้เราจะไปผูกพันยังไงรักษายังไงมันก็ไม่ฟังผลสุดท้ายมันก็เสียหายมันก็ย่อยยับลงไปนับตั้งแต่อัตภาพรางกายนี่แหละออกไปจนถึงทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรมานี้บ้านซ่องตึกกลามมันก็ย่อยยับลงดูสิพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกจากครั้งนั้นล่วงเลยมาถึงบัดนี้สองพันห้าร้อย หัวปีเนี่ยไอปร า, าสาท ร, ราชมียนของพระศิษฐธธาราชกุมารอันสวยสดงดงามอะไรต่ออะไรหมู่นั้นมันไปไหนหมดไม่มีแล้วออมันพังลงเป็นอิดเป็นปูนเป็นดินทับผมกันอยู่ออบ้านของนางวิสาขาก็ดีบ้านของอนุทาวินดีกะมหาเศรษฐีก็ดี อัอนี้เขาก็สร้างตึกรามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมหาบัดนี้ก็เห็นแต่ซากอิดซากปูนกองกันเปื่อกับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วแม้ว่าผลบุญกุศลจักอำนวยความสความสุขความสบายให้ในโลกนี้ มากมายขนาดไหนพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าผลแห่งบุญกุศลที่ได้เสวย อ, อยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันเนี่ยพอไ ป, ไปแล้วมันหมดได้ อ, อพอมันหมดแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้พระองค์จึงไม่ยินดีพอใจที่จะครองราชสมบัติอันนั้นอยู่จึงได้เสด็จหนีออกไปบวชเนี่ยการที่เรามานึกถึงพระพุทธคุณหรือว่าพระประวัติ ของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้สําหรับผู้เป็นนักบวชมันก็นมั่นใจเลยเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเราบวชอุทิศตอ่อพระพุทธเจ้าแท้ๆทาไมอ่ะเราถึงจะไม่ลากกิเลสตัณหาตามพระพุทธเจ้านี่สาอะไรเรามีสมบัติอะไรติดตัวมาหรือในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมบัติอะไรบ้างลองเทียบกับสมบัติของพระพุทธเจ้าดูสิอัน เรามีสมบัติอะไรที่จะให้ใจมันผูกพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าจะให้จิตใจมันห่วงใยเลือกนาร่วสวนอันใดก็มีจำกัดถ้าจะแบ่งสรรปันส่วนกันในระหว่างพี่พี่น้องน้องก็ได้คนละไม่กี่ตรางวาอันนี้มันต้องคิดตรงกลองดูให้ดีนะปวดอะ่ะ เมื่อคิดเห็นแล้วมันก็จะได้มั่นใจอยู่ในพรหมจรรย์จะไม่หลงเหยื่อล่อภายนอกนั้นอันภายนอกนั้นมันมันมีเหยื่อล่อเรื่องมันนะเพราะว่าการประดับตกแต่งออการประดิษฐ์ปะ้อยอะไรต่ออะไรขึ้นมาหมู่เนี่ยไอ้นักบวชไปเห็นเข้าแล้วก็ชอบอกชอบใจนั่นนักบวชชนิดที่ไม่ภาวนา ไม่เห็นแจ้งในไตรลัษณะญาณก็หลงสมมุติหลงบัญญัติหลงเครื่องหลอกลวงหลอกตาลวงใจเข้าไปเนี่ยคนขี่คานภาวนาย่อมถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันชักจูงไปตามประสงค์เลยเนี่ยว่ามันจูงไปหาทุกข์นั่นเองแหละทีนี้ถ้าเป็นครือหัดคองเรือน กิเลสตัณหามันก็จูงให้ทำบาปนั่นแหละมันจงไปให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดใจกา้ากล่าวมุสาว่าดื่มสุ ร, ราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดมือนี่เรียกว่าความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนนั่นเรียกว่าเป็นอยู่ไม่อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคำสอนของพระเจ้า ดำเนินชีวิตไปล่วงขอบเขตแห่งศีลธรรมไปทั้งนี้ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งตัณหานั่นแหละด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้คนเราล่วงศีลล่วงธรรมไปความไม่รู้ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมนั่นจะนำสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกน้า ยืดยาวนานมันคิดไม่เห็นเลยอย่างที่ว่านี้นะถ้าผู้ใดคิดเห็นได้ผู้นั้นก็ไม่ล่วงกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเลยสเสวงหาเลี่ยงชีพก็สเสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเพราะผู้นั้นได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี้ อัตภาพร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จะได้บังคับบัญชาของผู้ใดแม้ผู้ใดจะหาอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงมันจากเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีแต่ทุดโทรมไปอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นได้ดังพวกเศรษฐีกระหับบอดีหมูนั่นนวนแต่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้าน แล้วก็ไม่เห็นว่ามันยังยืนอะไรกันเลยไปไปหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะสมบัติทั้งหลายที่สะสมไว้กตกเป็นของผู้อื่นไปอันหมนี้นะเชื่อควรคิดควรพิจารณาไม่ควรที่จะไปติดรสชาติของอาหารไม่ควรที่จะไปติดสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มเรออานั่นนะ คนทั้งหลายส่วนมากในมันไปติดสัมผัสนั่นแหละเมื่อได้นอนดีได้นั่งดีแล้วก็ดีอกดีใจไม่อยากไปไหนจะไปจำสินฟังธรรมในวัดวาอารามก็ไปไม่ได้เพราะกลัวจะเป็นทุกข์ไปเด้นั่งของแข็งแข็งพื้นแข็งแข็งไม่สาบายเลยคนส่วนมากก็นั่งเก้าอี้นุม่มโซฟาเวลานั่งคุยกันเนี่ะ อย่างนั้นแหละนอนกับ น, นอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แเราเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ทําไมจําเป็นจริงๆงก็เลยไม่จากที่นั่งที่นอนหมอนมุง้งอะไรไปเลยอันนี้จะเป็นเหตุให้คนเราไม่ ไม่ได้สร้างบุญกุศลอันสูงส่งให้เกิดมีในตนก็เพราะเหตุว่าไปติดอยู่จะในสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานั่ น, นแหละแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกต่างหากไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องก่อให้เกิดความสุขความเจริญอะไรทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหาไม่ได้เลยแต่ถ้าผู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วหากไม่ลืมตัว รู้เท่ามันอาศัยมันอยู่โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสัมผัสเหล่านั้น เ, ออเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไมออ่ขาดจากการสั่งสมบุญกุศลจะเป็นผู้ไหว้พระเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาออไม่เห็นแก่รลับแกนอนไม่เห็นไม่หลงยินดีพอใจแต่ในความสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่ม ยินดีรักษาอุโบสถสิ้นเพราะว่ามานึกถึงชีวิตแั่มีประมาณน้อยเดียวะจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างหหูนี่นี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศล น, นี่ มันเกิดขึ้นจากจิตใจนั่นต่างหากถ้าใจไม่เอาไหนแล้วบุญมันจะเกิดได้อย่างไรอ่ะบางคนก็ว่าเออเราอยู่มาทั้วันนี้เราก็ไม่ได้ไปรักช้างกโมยควายของใครอ่ะออย่างนี้เราทําไมถึงว่าเราจะไม่ทําบุญอ่ะเราก็ได้ให้ทานอยู่นี้ออกงบวชกองกระถินอะไรก็ทําอยู่อย่างนี้ทําไมถึงว่าเราจะไม่ได้บุญแต่ในขณะเดียวกัน ใจของผู้ว่าเช่นนั้นน่ะยังไปชื่นชมยินดีเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นเหตุให้เกิดความมัวเ ม, มาประมาทอยู่แลวเช่นนี้เราจะให้บุญกุศลมันเจริญได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีหรือว่ากิเลสตัณหาอันดีทั้งหลายก็ดีมันมีใจนะ่ะเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้น มันมีใจเป็นผู้ประกอบไว้ <c oughs> ใจน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นนี่นะใจน้อมไปในความรักความรักมันก็เกิดขึ้นในใจ <c oughs> เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ทนท้ออกพอใจก็รู้สึกว่าดีอกดีใจชุ่มชื่นเลยใจเบิกบาน นี่แหละเมือ่อเมื่อใจมันน้อมไปทางแห่งความรักกลวงกันข้ามเอาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็น้นอันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพออกพอใจก็เกลียดชังมาหนี่นะ่นใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คิดอิจฉามาหนี่คิดเบียดเบียน อยากจะให้มันล่มหายตายไปจากโลกนี้ซะอย่าให้ได้พบได้เห็นมันคนผู้นี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้เราเกลียดชังมันเหลือเกินนั่นหมู่นี้นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทั้งนั้นแหละห <c oughs> ลวงพี่นาดูให้ดี <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างยิงว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ย บนันทีใจที่ได้ฝึกฝนอบรมไดในวัยพระนั่งสมาธิภาวนาได้ฟังธรรมได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้เมื่อมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมันก็ ว, นวันไม่วันไหลไปตามสัมผัสดังกล่าวมานั้นไม่หลงยินดีไปตามอารมณ์ทินาพอใจไม่หลงยินร้ายไปในอารมณ์ที่น่าเกลียดหน้าชัง โดยเจริญปัญญาวิปัสนาต่อได้แบบนี้นะสาเหตุที่มันจะระความยินดีนร้ายได้เนะ่ะโดยกําหนดเพ่งพิจารณาสภาวะสิ่งทั้งพวงมีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปเมื่อมันเห็นความเกิดความแปรปรวนความแตกความแตกดับแห่งรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆมันนั่นอยู่ มันก็ไม่หลงแล้ววันนี้ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามแล้วเพราะว่าสิ่งเล่านั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาให้ยินดียินร้ายในความเห็นภายในจิตใจนูน่นนะอืมไม่มีเพราะว่าถ้าว่าเกิดขึ้นมีขึ้นนะเพราะพระพ เ, เจ้าทรงสอนให้พี่นายเห็นว่าเป็นแต่สักแต่ว่าสังขารเท่านั้นเองแหละถ้าโดยปรมัตาธรรมแล้วนะ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่ว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้นแหละแต่แล้วโรกอันนี้นะ่ะมันหักเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันเกิดมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมันก็มีสมมุติมีบรรยัตขึ้นมาพร้อมเพื่อการสังคมติดต่อทำมาหาเรื่องทีพร่วมกัน ถ้าหากว่าไม่มีสมมุติปัญญัติขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกันอย่างไรได้ อ, อันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสำหรับผู้ที่ยังท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกเนี่ยแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้นั้นจะติดอยู่ในสมมุตินั้นหรือไม่ติดเนี่ย ม, มันสำคัญู่ตรงนี้เอง <Amen. S 1> ถ้าผู้ที่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิต มีปัญญาเกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ในสมมุติบรญญัติเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สมมุติเอาเท่านั้นเองสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมซึ่งบุญบาปตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ว่าสัตว์ว่าคนว่ายิงว่าชาย ว่าอะไรต่ออะไรไปตามสมมุติที่ตั้งกันขึ้นมานี่ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมอบรมปัญญาให้เกิดแล้วมันก็ต้องพิจรารณารู้แจ้งตามเป็นจริงในรูปเป็นตนดังกล่าวมานั่นตลอดถึงมารู้ขันทังห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ให้เห็นสภาพเหมือนกันภายใน เป็นอย่างไรภายนอกก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยภายนอกเขาสมมติกันยังไงภายในก็สมมติกันอย่างนั้นแต่เมื่อเรารู้แจ้งว่าเพียงแค่สมมติบัญญัติเราก็ไม่ไปขวางโลกเขาว่าไปยังไงเราก็ว่าตามไปแต่เราไม่หลงข้อสำคัญมนอยู่ตรงนี้เองนีแต่เราไม่หลงให้พากันคิดเข้าใจให้ดี อันใ น, นเมื่อยังมีตาหูจมูกกลิ้นกายอวัยวะมือเท้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วจะไม่ให้สัมผัสถูกต้องกับรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆเหลนี้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีอยู่อย่างนี้ประจำวันประจำเวลาแต่ผู้มีสติปัญญามันถคงไม่หลงเท่านั้นเองเลยวางตัวเป็นกลางต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ทั้งไฟดีทั้งไฟชั่ว ทั้งฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ก็ให้กําหนดรู้ตามสาภาพความเป็นจริงเลยไปแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอยู่นะทั้งเป็นนักบวชก็ตามผู้ครองเรือนก็ช่างก็ต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้แหละอาศัยถ้าพูดโดยระ บ, บุชื่อละกะ็อาศัยอาหารการบริโภค อาศัยผ้าหนุ่งผ้าหม่มนี่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยอาศัยยุกยาแก้โรคไขยไข้เจ็บต่างๆนี่มันมันเป็นปัจจัยสำหรับชีวิตอันนี้สี่อย่างนี้นะขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดมาในโลกนี้ขาดปัดจจัยสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้ดังนั้นแหละ พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พิจากรก้อนที่จะบริโภคพัะจ้าสี่เนี่ยได้อาหารมาก็พิจารณาอาหารให้เห็นลงเป็นธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยอแล้วแล้วถึงค่อยบริโภคในผ้านุ่งผ้าห่มมาก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เมื่อเวลาอยู่นอกกายก็รู้สึกว่าสวยสดงดงาม เมื่อเอามาหุ้มห่อกายนี้เข้าไปเหงื่อใครไหลออกมา้าหุ้มห่อกายอันเป็นของไม่สะอาดนี่แล้วผ้านุ่งผ้าห่มอันนี้มันก็เลยไม่สะอาดไปตามกั น, นดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยผ้าหนุ่งผ้าห่มเราเนี่ยเสนาสนที่โยธีอาศัยก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบขึ้นด้วยสัมภาระอันเป็นธาตุดินนั่นแหละอ่า สำหรับเป็นที่อยู่ที่อาศัยนั่นผู้ที่อยู่อาศัยเสนาสะนะจะเป็นกุฏิวิหารศาลาการประเรียนก็ดีหรือจะเป็นอาคารบ้านช่องของผู้ครองเรือนก็ดีมันก็มีสภาพเหมือนกันนั่นแหละปรุงแต่งขึ้นจากธาตุดินนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุดินไปหมดดังนั้นเรา้รงพิจารณาลงหเห็นเป็นธาตุไป อย่าเห็นว่าเป็นตัวเรือนเรือนของเราของเขาอะไรไปอย่างนั้นมันก็ติดก็คล้องน ะ, ะนั่นแหละเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้เมื่อมีผู้เอายามาให้รับประทานล้วก็พิจารณาเสกอนรับประทานยานี้เพื่อให้หายจากโรคใครไข้เจ็บเมื่อหายแล้วก็จะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีสืบต่อไม่ใช่ว่าเราจะรักษาร่างกายอันนี้ ให้มันหายโรคหายภัยแล้วก็จะได้ภัอวดใครต่อใครว่าตนนั้นสวยงามแข็งแรงดีอะไรหมดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเรารับทานยานี้เพื่อให้โรคภัยมันหายแล้วจะได้ประกอบกุศลขุนงามความดีให้เกิดมีแก่ตนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่พิจารณนี้เราจึงรับทานยานั้นมันก็จึงไม่เป็นกิเลสตัณหาการบริโภคปรจใจสีนะ ให้พึ่งพากันใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัวของเรานี้ให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วเราก็อาศัยมันอยู่ไปจนกว่ามันจะหมดบุญเก่ากรรมเก่าที่ได้ทํามาแต่ก่อนนั่นแหละเมื่อมันหมดบุญเก่ากรรมเก่านั่นแล้วมันอยู่ไม่ได้โลกนี้ต้องได้ทอดทิ้งไปเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ ท, นทุกวันทุกวันที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อาศัยบุญเก่านั่นแหละที่ทํำมาแต่ชาติก่อนนู่นนะ รักษาไว้ไม่ให้เชวนินริแตกกับทลายไปก่อนแต่ว่าเราอาศัยมันแบบที่ว่า <c oughs> ให้อุปมาเหมือนอย่างน้ำอาศัยใบบัวหรือใบบัวอาศัยน้าอยู่ใบบัวนั้นถึงจะแช่น้ำอยู่น้ำก็ะซึมเข้าสู่ใบบัวนั้นไม่ได้ฉัน้นใดมู้นีผู้รู้ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ ท่านจะได้รับรู้อารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นอย่างนี้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลยไอย้ความรู้สึกนั้นไม่ได้ซึมทราบเข้าไปสู่จิตใจของท่านให้ท่านได้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเพราะอาศัยท่านมียานความรู้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วตั้งมั่นเป็นปกติไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลา พอยุติลงเพียงเท่านี้